อท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวล า, าว่างจากภารกิจการงานต่างๆ เป็นได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทําภารกิจทางด้านจิตใจคือมาหาปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจปัจจจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายต้องมีปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงถึงจะอยู่ได้ร่างกายต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่หงห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคฉันใด จิตใจก็ต้องมีอาหารมีเครื่องมือหุน่นมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของใจนั้นไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายอาหารของใจไม่ใช่เป็นพวกกับข้าวกับปลาของขคาวของหวานอาหารของใจก็คือทานการให้ การให้ทานนี้จะทำให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุขส่วนเสื้อผ้าของใจก็ไม่ใช่เป็นเสื้อกัวโปรงหรือกำเกงแต่เป็นสีนสีห้าสีลปาอันนี้เป็นเสื้อผ้าของใจเพราะความสวยงามของใจอยู่ที่สีถ้าไม่มีสีก็เหมือนกับคน ไม่มีเสื้อผ้าใส่ส่วนที่อยู่อาศัยของใจก็ไม่ใช่เป็นบ้านเป็นคอนโดแต่เป็นสมาธิความสงบนะเวลาใจสงบแล้วใจจะปลอดภัยจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆ ส่วนยารักษาโรคของใจก็ไม่ใช่ยาที่เขาขายตามร้านขายยาหรือตามโรงพยาบาลยานี้ก็คือปัญญาเรียกว่าธรรมโอสถธรรมแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าโอสถก็คือยายารักษาโรคใจด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าโรคของใจคืออะไรโรคของใจก็คือความเครียด ความทุกข์ความวุ่นวายใจความวิตกกังวลความหวาดกลัวต่างๆเช่นตอนนี้ก็หวาดกลัววันที่ยี่สิบธันวากันไปไหนก็มีแต่คนถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราทำอะไรไม่ได้อยู่ดีฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะผ่าพระจะเสร็จนี่ไม่มีใครไปห้ามได้ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมัน เราไม่ต้องไปตีตนก่อนไขงอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูนใช้ปัญญาพินิษฐ์พิจารณาดูพอมีกระต่ายตัวหนึ่งมาบอกว่าวันที่20โลกจะแตกก็เตือนกันไปทั้งโลกเดี๋ยวไปดูจริ ง, ร ง, รงๆก็ไม่เห็นมีอะไรจะแตกถ้ามันจะแตกก็ไม่มีใครหยุดมันได้ฉะนั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดถ้ามีธรรมะแล้วจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ ธมะนีรักษาความเครียดความทุกข์ใจได้พวกเราที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันก็เพื่อที่จะได้มียารักษาโรคใจดังนั้นขอให้เราพยายามมาวัดกันบ่อยๆ <c oughs> เวลาเรามีเวลาว่างขอให้เรามาทำทานมารักษาสิง์มานั่งสมาธิมาเจริญปัญญา เราล้ำลองได้ว่าจิตใจของเราจะอยู่อย่างสุขสบายเหมือนกับร่างกายของเราทุกวันที่ร่างกายของเราอยู่กันอย่างสุขสบายแต่ใจของเราไม่สุขสบายเพราะใจของเราขาดปัดจจัยสี่เราให้ปัจจัยสี่แก่ใจน้อยไปหน่อยอาทิตย์หนึ่งงทีมาเพียงครั้งเดียวบางคนไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งค่อยมาสักครั้งหนึ่ง ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีไม่มีทานไม่มีศีล ไ, ไม่มีสมาธิใจก็จะต้องเครียดจะต้องทุกข์จะต้องหิวต้องอยากแล้วก็จะเป็นใจที่ไม่สวยงามไปอยู่ใกล้ใครก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วย <c oughs> เพราะความประพฤติไม่ดีไม่มีศีล น, นั่นเองแต่ถ้าเราได้มาวัดมาเติม ปัจจัยสี่ให้กับใจอยู่เรื่อยๆแล้วนะชีวิตของเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายจะมีคนรับมีคนรักมีคนอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเราจะมีที่พึ่งทางใจที่หลบภัยเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นถ้าโลกนี้จะระเบิดถ้าเราเข้าสมาธิได้แนละ้วเราจะไม่เดือดร้อนเพราะว่า ใจของเรานี้จะมีสมาธิคุ้มครองจะไม่โดนความระเบิดของโลกนี้มาทำให้ทุกข์ใจได้ให้วุ่นวายใจได้เราถึงควรที่จะสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจอยู่เรื่อยๆเช่นการทำทานนี้เราควรจะทำทุกๆวันเหมือนกับรับประทานอาหารเราให้อาหารร่างกายเวลาต้องสามือแต่ทำไมเราไม่ให้อาหารกับใจ อย่างน้อยวันละครั้งก็ยังดีก็คือการให้จะให้อะไรก็ได้ให้เงินทองก็ได้ให้ความรู้ก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ให้ธรรมะก็ได้ขอให้เราให้ทุกวันแล้วเหมือยกับเราได้รับประทานอาหารเช่นถ้าเราอยากจะให้สตาร์ทำบุญแต่เราไม่ได้มาวัด เราจะเก็บไว้ในกระปุกก่อนก็ได้เวลากี่บาทก็ว่าไปเงินที่เราจะเอามาถวายพระใส่บาทแต่ไม่มีพระเราก็เอาใส่กระปุกไปก่อนแล้วเวลาที่เรามีเวลาว่างจะมาวัดเราก็จะได้มีเงินมาทำบุญบางทีถ้าเราไม่เก็บเงินไว้ก่อนพอเวลามีเวลาว่างก็ไม่มีเงินก็ไม่ได้มาวัด แต่ถ้าเราเก็บเงินสะสมไปเรื่อยๆวันละห้าบาทสิบบาทถือว่าเป็นการใส่บาตรประจําวันของเราพอเรามีเวลาว่างเราก็จะมีเงินที่จะซื้อข้าวซื้อของมาทําบุญได้หรือถ้าเราไม่อยากจะทําบุญกับวันเราก็ทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทําบุญกับผู้มีพระคุณ<อ>พ่อแม่นี้ก็ถือว่าเป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆ ทำบุญกับพ่อกับแม่ก็เท่ากับได้บุญได้เท่ากับทำบุญกับพะระอรหันต์เรามีเงินให้แม่บ้างก็ได้ให้พ่อบ้างก็ได้หรือซื้อข้าวซื้อของมาให้พ่อให้แม่บ้างก็ได้อย่าไปมองว่าท่านมีพอแล้วมีมากแล้วท่านจะมีมากมีน้อยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราอยู่ที่ว่าเราได้ให้มากให้น้อยหรื อ, อยังถ้าเราให้มากแล้วก็หยุดได้ แต่ถ้าเรายังให้น้อยเราควรจะให้มากๆเพราะการให้นี้เป็นเหมือนการให้อาหารใจนี่เหมือนกับการรับประทานอาหารเราไม่ไปมองว่าคนอื่นเขากินมากกินน้อยแล้วหรืออย่างเรามองที่ตัวเราว่าเรากินมากหรือกินน้อยหรืออย่างเราอิ่มหรื อ, อยังถ้าเรายังไม่อิ่มเราก็ต้องกินไปเรื่อยๆกินไปจนกว่าจะอิ่มการให้ทานก็แบบเดียวกัน อย่าไปมองคนที่รับว่าเขามีมากหรือมีน้อยให้มองที่เราว่าเราให้มากหรือให้น้อยเราอิ่มหรื อ, อยังเรามีความสุขหรื อ, อยังถ้าเราไปมองคนอนื่นในบางทีเราจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ให้เพราะเรามักจะมีเหตุทำให้เราไม่ให้มักจะเห็นว่าเขามีมากแล้วเช่นทำบุญถ้าไปวัดที่มีคนไปเยอะๆเป็นวัดดีมีคนศรัทธาก็บอกว่า คนมาเยอะแล้วให้มากแล้วถ้าจะไปทําวันบุญที่วัดไม่มีคนไปก็ไม่อยากจะไปเพราะเป็นวัดไม่ดีคนจึงไม่ฝ่ายกันก็เลยไม่ได้ไปก็ไม่ได้ให้อดีหรือเหมือนกับเรารับประทานอาหารเราอยากจะรับประทานอาหารอร่อยเราก็ไปร้านที่ขายอาหารที่อร่อยก็มีคนมากต้องไปรอคิวเราก็บอกว่าไม่กินดีกว่าคนมากเหลือเกินไปกินร้านอาหารที่คนน้อยดีกว่า พอจะไปกินร้านาหารคนน้อยก็คิดเ็กแล้วว่าอาหารมันคงจะไม่อร่อยจึงไม่มีใครอยากกินก็เลยไม่กินกันอย่างนี้เราก็หิวอดข้าวตายได้เหมือนกันใจของเราก็จะอดตายได้ถ้าเราไม่ทำบุญเพราะฉะนั้นอย่าให้เหตุผลต่างๆมามาหลอกเราขอให้ใช้เหตุผลตรงที่ว่าเร า, เราทำมากพอหรือยังถ้าเรายังมีอยู่แสดงว่ายังไม่พอ ถ้าเราทำจนไม่มีเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะเรียกว่าพอนี่คือการทาทานการทาทานนี้เพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องอาศัยเงินทองมาเป็นเครื่องมือซื้อความสุขให้กับเราเพราะการใช้เงินทองซื้อความสุขนี้เป็นโทษกับใจมากกว่าเป็นคุณเพราะอันหนึ่งเมื่อใช้ไปเงินก็ต้องหมดหมดแล้วเราก็ต้องไปหาใหม่เราก็ต้องลำบาก ทำงานทำการนิ้นลนต่อสู้เพื่อที่จะได้เงินทองมาพอได้เงินทองมาเราก็ไปซื้อของตามใจเราอยากได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอเที่ยวเสร็จแล้วความสุขก็หายไปหมดเหลือแต่ความอยากเที่ยวติดอยู่เหลือความอยากซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ติดอยู่อยากซื้อรองเท้าคู่ใหม่ติดอยู่เราให้ซื้อเสื้อผ้ามา ก, กี่ร้อยชุดก็ตาม มันก็ยังมีความอยากที่จะซื้อใหม่เรื่อยๆเพราะการซื้อของเหล่านี้มันเป็นเหมือนซื้ อ, อยาเสพติดยาเสพติดนี้ต่อให้เราเสพทักเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันพอจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อของต่างๆไปเที่ยวนี้มาทําบุญจะทําให้ใจของเรามีความอิ่มมีความสุขมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยว การไปเที่ยวนี้พอเที่ยวเสร็จไปแล้วความสุขก็หายไปแล้วพอคิดถึงเวลาที่เราไปเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวอีกแต่ในทางตรงกันข้ามเวลาเราทำบุญแล้วเรามีความสุขเวลาเราคิดถึงบุญที่เราทำเราก็ยังมีความสุขอยู่เช่นเราเคยทำบุญอะไรให้กับใครพอวันนี้เรานึกถึงบุญที่เราได้ทำไว้เราก็ยังมีความสุขจากการที่เราทำบุญนั่นอยู่ ทำให้เรามีความอิ่มและเราจะไม่หิวกับการใช้เงินเพื่อไปหาความสุขทางทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่หาความสุขจากการไปเที่ยวไม่หาความสุขจากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราก็จะไม่ต้องดิ้นหลนหาเงินหาทองมามากมายเราก็สามารถทำงานแบบสบายๆได้ไม่ต้องห่วงว่าจะได้ น้อยเกินไปเพราะเราไม่มีรายจ่ายมากนั่นเองเราก็จะหาเงินด้วยวิชาชีพที่สุดเจริญได้ไม่ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมทำผิดกฎหมายก็จะทำให้เรารักษาศีลได้เรารักษาศีลได้เราก็ได้เสื้อผ้าอภรที่สวยงามมาสวมใส่ความสวยงามของคนเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ไม่ได้สวยที่ร่างกายไม่ได้สวยด้วยเสื้อผ้าอภรรท์ที่มีราคาแพงๆสวมใส่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ความสวยงามที่ใจถ้าใจสวยงามแล้วถึงแม้ว่าจะใส่เสื้อผ้าไม่สวยงามก็จะมีคนรักมีคนชอบเพราะไม่มีเพราะคนทุกคนชอบอยู่ใกล้กับคนดีคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปลดไม่เสพสุรายามา อ, อยู่กับใครก็จะเป็นคนที่น่ารักน่าอยู่ด้วยแต่ถ้าไปอยู่กับคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายามาถึงแม้จะใส่เสื้อผ้าอภร์อภรสวยงามขนาดไหนก็ตามก็จะไม่มีความประทับใจไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วย เพราะกลัวจะต้องถูกเขาบิบเบียนเดี๋ยวถ้ามีข้าวของเงินทองวางไว้เดี๋ยวเขาก็เอาไปได้มีสามีภรรยาเดี๋ยวเขาก็แย่งไปได้แต่ถ้าเราอยู่กับคนมีศีลเขาจะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรานี่แหละคือความสวยงามที่แท้ จ, จริงต้องสวยด้วยศีลธรรมอย่าไปสวยด้วยการแต่งหน้าทาปาก หวีผ้าหวีผมทำย้อมผมสีต่างๆทรงต่างๆซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆมาสนมใส่ถ้าใจไม่มีศีลแล้วไม่มีใครเข้าจะรักเราจะรักก็เพียงแต่ช่วงแรกๆเวลาเห็นใหม่ๆแต่พออยู่ด้วยกันแล้วก็จะเข้าเกียร์ถอยหลังไม่อยู่ด้วยกันถอยดีกว่าเพราะอยู่แล้วจะมีแต่ความเสียหายตามมามการที่เราจะมีศีลได้ เราก็ต้องมีฮิริโอตตาปะฮิริแปลว่าความอายโอตตาปะแปลว่าความกลัวกลัวความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการทําบาสนั่นเองการมีฮิริก็เหมือนก็มีความอายเวลาเราจะออกจากบ้านนี้เราต้องแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนต้องหาเสื้อผ้ามาสวมใส่ก่อนเราไม่กล้าออกจากบ้านไปถ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้า เพราะเราจะอายทำไมเราอายทางร่างกายอายได้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่น่าอายก็คือทางด้านจิตใจเวลาเราทำบาปนี้เราอายตัวเราไหมขนาดตัวเราเองเรายังมีความละอายใจเ ล, ล้เราจะไม่ละอายกับคนอื่นหรือถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่มีศีลถ้าเรามีความละอายก็จะทำให้เราอยากจะรักษาศีล เหมือนกับเรามีความละอายเราไม่กล้าออกนอกบ้านไปล่อนจ้อนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าต่างเราต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ก่อนเราถึงจะออกไปข้างนอกได้ชั้นใดใจก็เหมือนน้ามักายก็ต้องมีเสื้อผ้าเหมือนกันถ้าอยากจะให้ใจสวยงามถ้าอยากจะไม่ให้อับอายขายหน้าชาวบ้านถ้าชาวบ้านเขารู้ว่าเราเป็นคนชอบ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบลักทรัพ์ชอบประพฤติผิดประเวณีชอบโกโหกหลอกลวงชอบเสื่อสุรายาเราจะมีใครเขาอยากจะคบกับเราบ้างดังนั้นขอให้เรามีความอายแล้วก็ให้มีความกลัวให้เห็นให้กลัวผลของบาปที่จะตามมาทำบาปในปัจจุบันนี้ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเช่นไปฆ่าผู้อื่นอย่างนี้ เวลาเราโกรธเราเกลียดใครมากๆแล้วเราอยากจะฆ่าผู้อื่นพอเราไปฆ่าเขาแล้วทีนี้เราก็กลายเป็นอาชญากรไปเราก็ต้องหลบหลิบคอยหลบซ่อนๆอยู่ถ้าเผลอถูกตำรวจจับก็ต้องถูกจับไปลงโทษจับไปขังคุกขังตาราง น, นี่คือผลที่จะตามมาในชาตินี้ถ้าเราทำบาปนักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวง ก็มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางหรืออาจจะรับโทษประหารชีวิตได้แล้วตายไปเรายังต้องไปรับเรารับผลบุญของบาปอีกต่อเนื่อใจของเราต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างเพราะนี่คือวิบากหรือผลของการทำบาป ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ทรงเห็นแล้วจึงได้นำเอามาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายอย่าให้ไปทำบาป ก, กันถ้าเราไม่อยากจะต้องไปรับผลบาปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือตายไปแล้วก็ขออย่าไปทำบาปเลยขอให้รักษาศีลไว้ดีกว่ารักษาศีลแล้วจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย อยู่ก็จะมีคนรักมีคนชื่นชมยินดีมีคนยกย่องสรรเสริญเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราพวกเรากล่าวไหวพระพุทธเจ้าได้อย่างสนิจใจทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยพบกับพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่กิตติศัพท์ของพระองค์ว่าเป็นผู้บรยสุทธจิตใจสะอาดบริสุทธกายวาใจใจสะอาดบริสุทธไม่มี ไม่ได้ทําบาปทํากรรมเป็นผู้มีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาถึงทำให้เรามีความศรัท ธ, ธาความเลื่อมใสมีความเชื่อถือนี่คืออนิสงค์ของการที่เรามีศี ล, ลจะทำให้เรามีความสงบมีความสุขใจจิตใจของเราจะไม่หวาดวิตกกังวลกับผลบาปที่เราไม่ได้ทา ถ้าเราทำบาปนี้เราก็จะเป็นเหมือนวัวสันนังหวะเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีเขายังไม่รู้เลยว่าเราทำผิดกฎหมายอะไรมาแต่พอเราเห็นเขา้าเราก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความตกใจขึ้นมาเพราะบาปที่เราทำไว้มันจะเป็นเหมือนแผลใจของๆนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีแผลแล้วเราก็จะไม่มีความวิตกกังวลไม่หวาดกลัวกับอะไรทั้งนั้น นี่คืออนิสุ์ที่เราจะได้รับจากการรักษาสียงส่วนส่วนที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิสมาธินี้เป็นเหมือนบ้านเวลาเราต้องการหลบแดบหบลบฝนนี้เราต้องเข้าบ้านเวลาอากาศ ร, ร้อนเราเข้าบ้านแล้ว เ, เปิดเครื่องปรับอากาศเราก็เย็นสบายข้างนอกจะร้อนอย่างไรแต่ข้างในนี่เย็นสบาย เั่นใดเวลาเราเข้าสมาธินั่งสมาธิแล้วจิตสงบจิตก็จะเย็นสบายเรื่องราวข้างนอกจะวุ่นวายอย่างไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นเกิดมีเรื่องราวต่างๆทําให้เราปวดศรรีรษะทําให้เราวิตกกังวลหวาดกลัวถ้าเรานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้เรื่องราวต่างๆก็จะไม่สามารถตามเข้ามาในใจของเราได้ ความหวาดวิตกกังวลหวาดกลัววุ่นวายเดือดร้อนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะหายไปหมดเวลาใจสงบแล้วจะเย็นจะสบายวิธีที่จะทาใจให้สงบก็คือต้องเจริญสติก่อนสติ น, สต น, นี้เป็นเหมือนเชือกที่จะลากใจที่เป็นเหมือนลิงเวลาเราเราจะจับลิงเข้าโกรงนี้ถ้าเราไม่มีเชือกเราไปวิ่งไล่จับลิงนี้เราจัมันไม่ทํา จะจับลิงเข้าตรงไม่ได้ถ้าเราอยากจะจับลิงเข้าตรงเราต้องมีเชือกคล้องคอมันไว้แล้วเราค่อยลากมันเข้ามาเวลาอยากจะจับมันเข้าตรงก็ลากมันเข้ามาฉันใดใจของเราก็เหมือนกับลิงถ้าเราอยากจะให้ลิงเข้าใจของเราสงบเข้าสมาธิเราต้องดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆให้อยู่ในขณะ อยู่ที่นี่เดีย๋ยวนี้เช่นขณะ น, นี้ใจเราอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าถ้าอยู่ปัจจุบันก็คือว่าเรากำลังฟังธรรมอยู่ต้องอยู่กับเรื่องฟังธรรมอย่างเดียวถึงจะเรียกว่าอยู่ในปัจจุบันถ้าเราไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยู่ในปัจจุบันแล้วใจเราไปคิดถึงเรื่องอดีตบ้างคิดถึงเรื่องอนาคตบ้างอย่างนี้ใจก็จะไม่สงบไม่เป็นสมาธิ เวลาฟังเทศฟังธรรมก็จะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราตั้งใจให้อยู่ในความสงบตั้งใจฟังไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะเข้าใจทุกคาพูดที่เราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้รับประโยชน์ได้ปัญญาได้ความเห็นที่ถูกต้องดับความวุ่นวายใจได้ดับความทุกข์ใจได้แล้วถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิเวลาเราหลับตาแล้ว จะบริกรรมพุทธโธไปอย่างเดียวก็ได้หรือดูลมไปอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องผสมกันไม่ต้องพุดเข้าโธออกก็ได้เราอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าใจเราอยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับลมเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอเข้าไปความเข้าไปในความสงบแล้วก็จะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆภายนอกไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าถ้ารับรู้ก็จะไม่ มีปฏิกิริยาจะเฉยได้ยินเสียงก็จะเฉยได้สัมผัสกับความเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะเฉยยังไม่เดือดร้อนจะสบายใจนี่คือสมาธิที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญสติเราต้องดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันจะใช้พุทโธเป็นตัวดึงก็ได้ท่องพุทโธไปเรื่อยๆใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ หรือจะใช้ร่างกายก็ได้ให้เฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่กำ ล, ลังเดินอยู่ก็าหาให้รู้ว่ากำลังเดินอยู่กาลังรับประทานอาหารก็ให้รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารอย่าไปรู้เรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าเรารู้อยู่กับเรื่องของร่างกายเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจเราก็จะรู้อยู่กับเรื่องของลมหายใจอย่างเดียว ไม่นานใจของเราก็จะเข้าไปในสมาธิได้การที่เรานั่งแล้วใจไม่สงบเพราะว่าเราไม่มีสติกันเราไม่ฝึกสติก่อนที่เรามานั่งพอเรามานั่งใจของเราก็ลอยไปลอยมาลอยไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างไม่อยู่ในปัจจุบันนั่งไปนานเท่าไหร่ใจก็ไม่เคยสงบสักทีเพราะเราไม่เจริญสติก่อน ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้เราต้องมีสติก่อนเราต้องดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆอย่าให้ไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกายเราหรือให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปใจจะไม่ลอยใจจะนิ่งใจจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายพอเข้าสมาธิได้แล้วทีนี้ก็หมดปัญหาเรื่องราวข้างนอกเรื่องราวที่ร่างกาย นี้จะไม่มาเกี่ยวกับใจอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายใจก็ไม่เดือดร้อนเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่รับรู้ชั่วคราวสมาธินี้อยู่ไปได้ไม่นานก็ต้องออกมาเพราะว่ามันมันไม่สามารถอยู่ได้อย่างถาวรออกมาแล้วถ้าเราอยากจะกลับเข้าไปใหม่เราก็ต้องบริกรรมพุโทโธใหม่มันถึงจะกลับเข้าไปใหม่ได้ถ้ากลับเข้าไปไม่ได้ เราก็ต้องใช้ปัญญามารักษาใจเราแทนสมาธิเวลาใจเราทุกข์เราเครียดเราวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่สามารถเข้าสมาธิได้เราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือให้เราตปรงให้เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ เช่นเราไม่สามารถสั่งให้ลาบยศสรรเสิริญ ส, สุขนี้เจริญไปอย่างเดียวลาบยศสรรเสริญ ส, สุขเขาก็มีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเ ว, เวลาเจริญเราก็ดีออดีใจแต่เวลาเสื่อมเราก็ทุกข์กันวุ่นวายกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ถ้ามีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเราต้องสอนใจให้ยอมรับกับความเสือ่อมเวลาเสื่อมเราต้องอย่าไปต่อต้านอย่าประยากให้ไม่ให้เสือ่อมเพราะเวลาเกิดความอยากเราเกิดจะเกิดความเครียดขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะเครียดเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาถ้าเราสอนใจไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วต่อไปใจของเราก็จะยอมรับความจริงพอรับความจริงแล้วก็จะไม่ต่อต้านจะไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นเสื่อมก็เสื่อมเพราะว่าอย่างไรเราก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจบเวลาเราตายไป เรามีลาบยศสารเสริญมีความสุขมากน้อยเพียงไรมันก็หายไปหม ด, หมดไปดังนั้นเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดพอร่างกายนี้ตายไปแล้วทุกอย่างก็หมดเงินทองมีกองเท่าภูเขาก็เป็นของคนอื่นไปยศตำแหน่งต่างๆก็หมดไป สัมรเซิญก็หมดไปความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็หมดไปแต่ถ้าใจเราปรองได้แล้วเราจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่อยู่ภายในใจความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังเนีเ่นี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้มีกันได้พบกันเป็นสมบัติ เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของพระอาหารหันต์เพราะท่านปลงได้ท่านปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ท่านไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่อยากได้ถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วใจของเราจะมีความสุขตลอดเวลาจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นจะไม่หิวไม่อยากไม่มีเงินก็อยู่ได้ ไม่มียศก็อยู่ได้ไม่มีสารเสริญก็อยู่ได้ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้ดูให้ฟังก็อยู่ได้ไม่เดือดรอ้อนเพราะใจมีความสุขในตัวเองความสุขที่เกิดจากการปลงการปล่อยวางการไม่มีความอยากในสิ่งต่างๆนี้เองนี่แหละคือยารักษาโรคใจคือธรรมะถ้ามีปัญญามีธรรมะแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่เครียดกับอะไร แม้แต่ความเจ็บความตายก็จะไม่เครียดด้วยเพราะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านตายอย่างสบายตายอย่างสงบตายอย่างไม่เดือดร้อนตายอย่างไม่มีความหวาดกลัวเพราะท่านมีปัญญารักษาใจนี่คือเรื่องของปัจจัยสีของใจที่พวกเรามาม า, มาเพิ่มมาเติมกันในวันนี้ด้วยการทำทานด้วยการรักษาสี ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปลงอนิจจทุกขังอนัตตาถ้าเราทํามากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆจะลิศขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆสวยงามมากขึ้นไปเรื่อยๆจนจะเป็นใจที่สวยงามเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าและของพระอาลั์ทั้งหลาย อันนี้อยู่ที่การปฏิบัติของเราไม่ได้อยู่ที่ใครพระพุทธเจ้าไม่สามารถมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเราได้เพียงแต่สอนวิธีว่าจะทำอย่างไรให้ได้สิ่งเหล่านี้ได้แต่ไม่สามารถมอบให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ขยัยขว้าเอามาเป็นสมบัติของเราด้วยการมาวัดอย่างสม่ำเสมออย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทากันในวันนี้ ขอให้ทำต่อไปและทำให้มากขึ้นไปจนกว่าเราจะได้ความสุขที่สูงสุดที่เรียกว่าปรมงสุขขานการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพศีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนาสุขะาละโดยทั่วหน้ากันเธอ